มาพร้อมคหว่างเงากี่คราวที่ใจต้องทนอ่อนไวมีหนึ่งหัวใจไม่เคยได้ใช้ได้แต่รอแค่ใครบางคนที่อยากเจอรักสักครั้ง ตาล้มลงกับความเจ็บช้ำกี่คนเข้ามาแล้วเดินจากไปอีกเพียงครั้งเดียวฉันคงขาดใจถ้าต้องนับรับไม่กับใครแค่อยากจะรักสุดใจ กลางผู้คนนับพันหมื่นล้านต้องการแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นสักคนแค่ใครที่ใจตรงกันมันจะมีสักวันใช่ไหมที่จะได้เจอ ฉันก็ไม่ชอบเธอ